ส่วนพระอนุรุท ธ, ธาเนี่ยมีบุญอยู่ได้ร้อยห้าสิบปีอายุยืนพระภากุลเนี่ยนะอายุร้อยหกสิบปีถึงผู้มีอายุยืนกว่าทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยนะที่ได้ยินในในยุคตั้งแต่พุทธกาลจวบปัจจุบันคือพระภากุลอายุร้อยหกสิบปีแต่ก็ไม่มีใครถึงสองร้อยปีตายหมดแล้วไมนะ่เหลือเลยให้เหลือตายหมดแล้วทีนี้ถามว่า พระโพธิสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายทั้งหมดเช่นวิปัสสีโพธิสัตว์สิกขีเวสภูโพธิสัตว์กัคูสันทะโกนาคัมมนะกัสปะโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าของเราตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ปฏิสนธิในในชาติสุดท้ายเนี่ยนะปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาานั้นน่ะปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งเป็นอสังขาริกเพราะอะไรเพราะบุญที่ทำเนี่ยเป็นบุญประเภท อสังขาริกและประกอบด้วยโสมนัสดีใจมากอ่ะนะเป็นเป็นคนที่เรียกว่ายิ้มโดยเรียวกว่าหลับว่ายิม้มเหมือนกันเถอะบอกว่าคนประเภทโสมนัสหรือโทมนัสดูจากอะไรไหอดูจากขนาดถ้าหลับถ้าเขาหลับแล้วก็ตื่นเข้ามาสดชื่นนะยิ้มแย้มแจ่มใสแม้กระทั่งแรืหลับก็หลับอย่างหน้า ย, ยิ้มยิ้มอยู่นั้นแหละถ้าประเภทนี้โดยมากโสมนัสแต่ถ้าบอกว่าพอหลับปั๊บเครียดแล้วเนี่ยนะตื่นข้าวขึข้นมายิ่งหงุดหงิดเลยแต่พวกนี้ก็ประเภท อุเบกขาประเภทอุเบกขาพราแต่ว่าอะไราทมมนัดห้อยท้ายห้อยหอยลังนะแต่สำหรับพระโพธิสัตว์นั้นอสังขาร็กเนี่ยนะมีกำลังมากแล้วก็ดีใจประกอบด้วยปัญญาและมีเมตตานำหน้าตอนมาเกิดเนี่ยนะเป็นเป็นมหามหวิบากที่เรียกว่าเมตานำหน้าตามหลัง เพราะอะไรเพราะต้องการประโยชน์และความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายท่านจึงเป็นผู้ที่มีเมตตา ม, มากหวังแต่ประโยชน์หวังแต่ความสุขหวังแต่ความเจริญหวังแต่ความเกื้อกูลเนี่ยนะหวังแต่ว่าประโยชน์สุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยปกติผู้ที่ปฏิสนธิจิตหรือคุณภาพปฏิสนธิจิตแบบที่กล่าวไปแล้วเนี่ยสามารถมีอายุได้หนึ่งอสงไขยอายุอสงไขยปีนะหนึ่งอสงไขยปีก็แปลว่า อ า, อายุเลขศูนสี่ิตัวถ้าเลขศูนยรอตัวเดียวก็เล็กสิปีใช่ไหมถ้าสองตัวก็ร้อยปีสามตัวก็พันปีอันนี้ท่านสามารถดํารงอยู่ได้หนึ่งอสงไขยปีเช่นเช่นอะพระราชาพระนามว่าพระเจ้ามันธาตุราชเนี่ยอายุเป็นอสงไขยปีเลยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้เป็นอสงไขยปีถามว่าเพราะเหตุไรท่านเหล่านั้นจึงไม่ตั้งอยู่จนถึงอสงไขยปีเพราะ วิบัติแห่งฤดูและโภชนะเพราะอุตุมันวิบัติเหลือเกินและอาหารก็วิบัติอาหารไม่มีคุณภาพอุตุก็แปรปรวนอย่างอย่างสมาหรับกลุ่มประเทศที่อายุสั้นเลยนี่คืออะไรกลางวันร้อนระอุกลางคืนหนาวเหน็บนะซับร้อนเย็นร้อนเย็นร้อนเย็ น, น, ย น, น, ยนพวกนี้กลุ่มนี้อายุสั้นมากอย่างกลุ่มคนงานที่ทำงานตากแดดตะตะแครวันเดียวกลางคืนก็เย็นอย่าเยือกกลางวันก็ร้อน เราอุกกลางคืนเย็นเยอะๆพวกนี้อายุไม่ยืนนะอายุสั้นหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่บริโภคเข้าไปด้วยอั้นถ้าอากาศแปรบ่อยอาหารไม่มีคุณภาพอายุสั้นเออจะรู้ได้ยังไงว่าอุตุแปรเปลี่ยนได้บ่อยโภชนะไม่มีคุณภาพดูจากอะไรก็เขาก็ไล่ตั้งแต่ผู้ปกครองมาเลยเมื่อใดพระราชาทั้งหลายคําว่าพระราชาก็คือผู้นําผู้นําหมู่ประชุมชน ผู้นําชาวโลกเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้นําไม่เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมหมายคือว่ามีอัธยาศัยล่วงอกุศลกรรมมาบทสิบเรียกว่าไม่ดํารงอยู่ในธรรมหรือไม่ประกอบด้วยธรรมหมายคือว่าหนึ่งเป็นผู้นําที่กระหายการฆ่าเป็นผู้นํากระหายทรัพย์สินของผู้อื่นที่มุ่งที่จะริบเอาของผู้อื่นได้อย่างไรเป็นผู้นําที่มักมากในกามเป็นผู้นําที่ มีปกติพูดไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นผู้นำที่ยินดีในน้ำเมานะมากด้วยอภิชาพยาบาทไม่มีกรรมสกตาเป็นผู้นำในการทอาอกุศลกรรมบด ท, ทั้งหลายถ้าผู้นำเป็นอย่างนี้คนใกล้ๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอุปราชก็จะเป็นไม่ประกอบด้วยธรรมเพราะถ้าหากว่าผู้นำไม่อยู่ในกุศลผู้นำเป็นผู้ที่มากด้วยอกุศลผู้ตามก็เป็น พวกกล่มอกุศลมันอุปราเสนาบดีเศรษฐี ส, สกลนครชาวเมืองทั้งหมดชาวรัฐชาวแว่นแขวนทั้งหมดประชาชนโดยองค์รวมก็ไม่มีธรรมเหมือนกันนะถ้าผู้นําไม่ใฝ่ธรรมก็บอกว่าผู้นําจะมีธรรมหรือไม่มีธรรมเนี่ยก็ดูจากเออเขบอกว่าดูจากใครรู้ไหมดูจากบริวารถ้าบริวารเป็นยังไงนั่นประกาศ ถ, ถึงว่าหัวหน้าเป็นยังไงมันเป็นกระจกอย่างหนึ่งเหมือนกันผู้ตามเนี่ยคือกระจกของผู้นํา หรือผู้นำเนี่ยก็เป็นตัวกระจกบอกว่าผู้ตามเนี่ยเป็นรสนิยมกลุ่มไหนเพราะศัพท์ทั้งหลายมันรวมกันตามธาตุดี่ว่าแล้วแต่ธาตุามันเสมอกันด้วยธาตุารวมกันเป็นถ้าธาตไปนั้นถ้าผู้นำไม่มีคุณธรรมไม่ประพฤติธรรมผู้ตามก็ไม่ประพฤติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนมากปด้วยอกุศลกรรมบททุกคนมากด้วยการประพฤติอธรรม อารักเทวดาคือทุกคนโดยมากจะมีเทวดาดูแลประจําตัวถามว่าเทวดาเหล่าไหนก็เช่นเทวดาพวกบรรพบุรุษพวกอะไรพวกคอยห่วงลูกห่วงหลานน่ะนะห่วงลูกห่วงหลานตายคิดถึงลูกคิดถึงหลานก็เป็นผีคอยดูแลลูกหลานไปอะไรไปน่ยนะมันก็ติดล้านมากก็เป็นผีดูแลหลานไปนะต่อไปพวกนี้จะคอยปกปักตามมู่ดูคอยห่วงลูกห่วงหลานห่วงญาติห่วงอะไรเป็นต้นเน่ยนะพวกนี้ก็จะคอยดูแลลูกหลาน พวกเทวดาเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเพื่อนกับพวกภุมิมะเทวดาเพราะฉะนั้นถ้าอารั ก, กเทวดามไม่มีคุณธรรมนะเชื่อไหมโรคระบาดเนี่ยมันติดกันง่ายโรคเร็เวๆเนี่ยติดกันไม่ยากเพราะฉะนั้นเอ่อพวกมนุษย์อธรรมเทวดาพวกนี้ก็เลยพลอยอธรรมไปด้วยคล้ามนุษย์ที่เมามเนี่ยนะเทวดาดูแลก็ขี้เล่าเหมือนกันนั่นแหละอย่างนั้นฟน พอขี้เหล้าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็กินไปกินมาเนี่ยเอาลองหน่อยนะชิมหน่อยมันก็เริ่มระบาดระบาดระบาดไปเรื่อยก็ดื่มกันทั้งบ้านทั้งเมืองกันแหละว่างั้นเะเพราะฉะนั้นพวกพระราชาขี้เมาบริวารก็ขี้เมาเทวดาก็เลยขี้เมาด้วยเทวดาขี้เมาก็ชวนขี้เมาชวนเทวดาชั้นสูงเมาเมาเมาไปเรื่อยๆเพรันธะหมู่พระราชาเป็นมิจฉาทิฏฐิไอ้บริวารทั้งหลายก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเทวดาก็พลอยมิจฉาทิฏฐิ มันก็บอกว่าเทวดาชั้นภูมิมเทวดาก็มิจฉาทิฐิเทวดาก็มิจฉาทิฏฐิอากาศเทวดาเทวดาเรอเกี่ยวกับเทวดาดูแลเรื่องความร้อนเทวดาเรื่องฝนเรื่องความเย็นะนะเทวดาทั้งหลายก็กลายเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเพราะฉนั้นสุดแท้แต่ว่าผู้นําเป็นอย่างไรนะมันเป็นหน้าต่างบอกบริวารบอกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจนถึงจาตุม้มดาวดึงยามาดุสิต จนถึงพรหมโลกกลายเป็นพวกอธรรมไปหมดเลยพวกนี้สันเสริญอาธรรมนะสันเสริญการทำปานาติบาสสันเสริญการทำมาทินนาทานสันเสริญการทำกาเมสุมิชาจารสันเสริญการพูดมูสาวาสันเสริญการปิสุณาวาจาพุสวาจาสันเสริญสัมผัส ป, ปลาปะผล เ, เทวดากลายเป็นว่าเทวดาต้องให้คนมาร้องเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยนะ ถ้าชอบมากเทวดาเขาเอาเหล้ามาเส้นเทวดาต้องอุแต่ละอย่างที่เทวดาชอบเนี่ยมันสับประรดอะไรบ้างก็ไม่ทราบเนี่ยนะเทวดาบางกลุ่มนี่ก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าทุกคนก็ไม่ยินดีในการประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ขี้เหล้าก็จะเอาเหล้านี่แหละไปไปเส้นเพราะฉะนั้นลูกหลานที่เมานะเชื่อไหมลูกหลานเนี่ยกรวดเหล้านะไปให้คุณวันพระบุรุษนะ เอออาไม่รู้นะคนในเมืองอาจจะไม่เป็นเนยนะอนะแต่ตามชนบทเนี่ยโอ้ยงานศพนี่แหละงานศพเนี่ยนะพอพอพระชันเสร็จใช่ไหมกรวดรวจน้ำอ่าแต่ถ้าตอนกลางวันตอนเย็นเนี่ยนะเขาก็ยกอาหารมาให้แล้วก็กรวดเหล้า <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเช้ากรวดน้ำหรือว่าเที่ยงกรวจเหล้าเย็นกรวดเหล้าเนี่ยนะนะโอ้ยมัอยู่อย่างนี้แหละ อย่าคิดว่าไม่มีจริงนะไปเที่ยวดูไปไปให้มันทั่วแล้วจะเห็นหมดนะนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลูกล้านก็กรวดเล่าไปให้แล้วผีมันจะเมาไปขนาดไหนก็ไม่ทราบนะก็ชวนชวนกันเมาไปหมดเลยเมาทั้งมนุษย์เมาทั้งผีเมาทั้งอาบ ม, มนุษย์เมาทั้งเทวดาเนี่ยนะชวนเอาไปเอามาก็นู่นแหละไปเป็นแมลงเมาเนี่ยนะตกไปที่ไหนก็ไม่ทราบมันก็เป็นอย่างเงี้ยพันโดยมากเนี่ยเวน้นอริยาสาวกพรหมบริษัทก็ประกอบด้วยอาธรรมอีก พรมนี่ไม่ใช่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นนะอย่างเช่นพระกาพรมเป็นต้นยังเป็นมิจฉาทิฐิเขาคิดว่าเขาเป็นผู้สร้างเขาเป็นเทพพระเจ้าพวกนี้ยังดีไม่ดีแทบจะสรรเสริญว่าเออฆ่าเพื่อบูชาเราเป็นต้นคนนี้ก็เริ่มสรรเสริญเพราะฉะนั้นน้อมไปเพื่อทําอกุศลโดยประการต่างๆมันลัทธิทั้งหลายเนี่ยจึงระบาดเกิดขึ้นในโลกมากมายมหาศาลจริงๆ จ, จ, จุดเริ่มต้นจากอะไรผู้นําไม่เป็นไม่ประกอบด้วยธรรม แต่ผู้นําที่ไม่ประกอบด้วยธรรมมันก็เกิดจากคนสนิทของผู้นํานั่นแหละไม่มีธรรมนั้นผู้นําก็เลยมันก็มันคือโรคพวกนี้มันโรคระบาดนะปานาติบาศก็โรคระบาดชนิดหนึ่งอธินนาทานก็โรคระบาดชนิดหนึ่งกาเมสุมิชฌาจารก็โรคระบาดมูสาวาทก็โรคระบาดพุทสวาจาก็ ร, ระบาดปิสุณาวาจาก็เป็นโรคระบาดเดื่มสุราเมรไยเป็นต้น ก็เป็นกลุ่มโรคระบาดอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิมันก็เป็นโรคระบาดมันระบาดท่วมในหมู่มนุษย์เทวดาทั้งหลายพวกเดราัชานไม่จําพูดถึงมันก็ไม่ฉลาดอยู่แล้วนะใครจะระบาดังไงพวกนี้ก็เป็นเนื้อให้เขาปิ้งอยู่แล้วละ่ะนะแต่ว่าในบรรดาหมู่สัตว์อื่นๆนี่ก็ระบาดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็ระบาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าระบบการโคโจรของโลกมีปัญหาหมดเลย พระจันทภทิตทั้งหลายก็ดําเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนเทวดาเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะเทวดาไม่ประกอบด้วยธรรมก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับรถที่ไม่มีใครสนใจดูแลในการเป็นไปเขามีอยู่จังหวัดหนึ่งจังหวัดบ้านเกิดอตอมานี่ยแหละแล้วลมันใกล้ใกล้กันด้วยนะห่างกันแคไ่ไม่ถึงสิบกิเออรห้ากิโลห่างจากบ้านเกิดไปสักห้ากิโลมันมีรถโดยสารสายหนึ่ง มันก็ขับรถไปขับด้วยความเร็วเนี่ยสูงเสร็จแล้วไอ้พวกคนขับเนี่ยนะพวกคนขับกับเด็กรถเนี่ยมันนึกอยากจะเปลี่ยนคนขับขึ้นมาเปลี่ยนตรงไหนรู้ไหมก็เปลี่ยนขณะที่รถมันวิ่งเร็วๆนั่นแหละนะก็เปลี่ยนคนขับนะเปลี่ยนคนขับเสร็จแล้วรถมันสวนมาพอดีเลยรถรถมันแซงมาอีกสวนเข้าเลนกันพอดีหักหลบตายทั้งคันเนะมือม่อเมือ่อเมื่อหลายปีก่อนเอนะ่ยราระบบในนี้ขนาดการโครจรของ รถธรรมนาเนนะรถยังล่มสลายเพั้นระบบของโลกระบบของอะไรก็มีมีเทวดามีอะไรที่เขาพอดูแลเรื่องราวเหล่านี้ได้บ้างขนาดอะไรนะรถไฟเนี่ยคนสับรางมีปัญหาหน่อยรถชนกันเลยนะเครื่องบินก็เหมือนกันเครื่องบินมันอากาศมันกว้างใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าเครื่องบินมันชนกันอยังไงนะมองพราะอะไรเพราะไอคนที่สับรางเนี่ยมีปัญหาบอกอู้ทะเลเนี่ยนะกว้างใหญ่ไพศาลบอกเรือก็ยังชนกันเลย เนะเรือยังชนกันเลยนะตายกันเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นถามว่ามันเกิดจากอะไรนี่ก็เหมือนกันระบบของโลกระบบของอะไรก็มีพวกเหล่าเทพพยาเจ้าบางกลุ่มท่านพวกเหล่านั้นเนี่ยนะเมื่อแต่ละคนไม่ประพฤติเป็นธรรมระบบหลายๆเรื่องก็เปลี่ยนไปหมดสมมุติถ้าทุกคนขี้เมาเลยนะบ้านเมืองจะเป็นยังไงเอ้านะระบบทั้งหลายทั้งแหลเนี่ยนะจะเป็นยังไงหมดเรียกว่าเมาตั้งแต่ประชาชนระดับล่างจนถึงข้าราชการผู้ใหญ่เมากันแอะไปหมดเลยนะสักสามปีติดตกันเนี่ยนะ ประเทศชาติประชาชนจะเป็นยังไงบอโอ้ยเสร็จบ้านเมืองอื่นก็ไปตั้งนานแล้วว่าือนกันเพราะนั้นท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่อทุกคนไม่อยู่โดยธรรมเทวดาเป็นต้นไม่อยู่โดยธรรมลมก็ไม่พัดไปตามทางลมนันก่อนก็บอกว่าเออบ้านเมืองเรานะประเทศประชาชนเราทําใจได้แล้วเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ฝนมันก็ไม่ค่อยแน่นอนบัดนี้ทําใจกันได้แล้วเขาบอกงั้นเพราะมันไม่แน่นอนเพราะ เพราบว่าลมเดี e ๋ยวลมก็เปลี่ยนทางเดี๋ยวก็ไม nope. so ่ร like, ู้ว่าลมมันจะมาจากทิศไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะทางลมนี่มาจากทางไหนบอกไม่แน่เมื่อลมไม่พัดไปตามทางลมก็บอกวิมานของเทวดาทั้งหลายก็สะเทือนวิมานพวกอากาศลมอากาศเทวดาก็สะเทือนเมื่อวิมานสะเทือนเทวดาก็ไม่มีกรจิกกระจใยจะเล่นนะไม่ไม่เล่นแฉเพลเพลินละเมื่อเทวดาไม่มีกรจิกกระจใยเนี่ยนะฤดูก็เปลี่ยนแปลงไปฤดูกาลก็ไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนไป เช่นฤดูก็ไม่เป็นไปตามฤดูฝนก็ไม่ตกในนามยามหน้าฝนมันไปตกในหน้าเกี่ยวข้าวเวลาดำนานะฝนไม่ตกไปตกเวลาเกี่ยวข้าวเวลาเกี่ยวข้าวนะมันก็ตกมัางไม่ตกบัางอีกข้างหนึ่งตกอีกข้างหนึ่งไม่ตกอย่างเงี้ยนะมันมันวิบัติมากเลยปีก่อนเนี่ยเนะมษาน้าท่วมพฤ่สภามิถุนาหน้าธํานาแรง เมษาน้ําท่วมเนี่ยนะไอ้จังหวัดภาคอีสานมันจะเป็นไปได้ยังไงโอ้มันเกินไปเนี่ยนะไม่เห็นมากตาแทบไม่เชื่อเลยและนะพอหน้านา น, านี่มันแห้งแล้งไอตอนที่ก็เรียกกำลังหวานกําลังปักกําลังดําเนี่ยนะแล้งฝุ่นตลบไปหมดตอนที่เรียกว่าน้าอ่ะเริ่มจะเกี่ยวข้าวน้ําท่วมพัดเอาไปหมดเนี่ยนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยข่าวว่าอา้าวเป็นยังไงบ้างปีนี้ข้าวปลาอาหารเนะีเยอะไหม อคนนั้นนะเขาได้เยอะมากได้สี่กระสอบปุ๋ยสี่กระสอบปุ๋ยก็กระสอบปุ๋ยละสี่สิบกิโลสี 4, 4, 5, 4่สี่ห้าคูณสี่ก็ปีนี้ทํานายี่สิบกระไรได้ข้าวเกือบสองรอกิโลเหนกันดีกว่าคนนั้นคนนั้นได้ได้ไม่ได้ไมเมล็ดพันธุ์คืนเลยนะแล้วก็หนักหนาสาหัสมากปีนี้เขาบอกเอออยู่กันยังไงเนะอะรอดแต่หนันปีนี้ก็บางชนบทเนี่ยแรงมากเลยนะแรงมากจริง ก็มองเห็นนะนี่เราเรียกนาข้าวว่าเออเราก็เห็นแต่หญ้าเหมือนกันเราบอกว่านาข้าวมันก็ถ้าถ้าเดินทางเยอะๆมันจะเห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้ฝนมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นเมื่อตกก็ตกขณะหวานบ้างตกขณะแตกหนอบ้างนึกอยากตกอะไรนะตอนที่ข้าวกำลังออกสวยมแมลงข้าวทาท่าจะตายแล้วฝนก็ตกมาให้ฟื้นออกมา ข้าวนั้นก็กลายเป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพสรุปว่าฝนไม่เป็นอุปการะต่อข้าวกล้าเลยบางทีก็แล้งไปนานบางทีก็ท่วมติด ๆ, ๆกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้าวก็เลยไม่สุกพร้อมกันข้าวบางทีเนี่ยนะแต่มันก็เป็นนะมันต้องแทบจะเกี่ยวสองครั้งสามครั้งนลยแหละอย่างที่ที่นานเนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้าวเสร็จนะเราไม่ปล่อยให้พวกสัตว์พวก เส้นพวกกระบือพวกอะไรเนี่ยลงไปกินนะเราปล่อยอีกพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เริ่มงอกออกมาแล้วมาสุกใหม่แล้วเกี่ยวได้อีกแต่ว่าพปลอมตะแหลมเหมืนนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วบางปีบางปีกําลังเกี่ยวเสร็จน้ําท่วมขึ้นมาแล้วข้าวมันแช่น้ําข้าวมันแช่น้ําถามมาทํำยังไงบอกว่าวิธีการก็ทําอย่างนี้ก็เอาข้าวเนี่ยรีบขายให้มันเร็วที่สุดถามอะไรเพราะถ้าเก็บเอาไว้นะถ้าเก็บเอาไว้ข้าวมันจะผุ มันไม่ขึ้นราธรรมดาเนี่ยข้าวมันจะผุเวลาเอาไปหงเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาหงเนี่ยเก็บไว้เฉยๆแล้วมันกลายเป็นข้าวเละไปเฉยๆแบบข้าวแบบกระแห่ข้าวหมักที่มันเละไปเลยอ่ะมันแบบกินไม่ได้ไปกลกาวเป็นข้าวเปื่อยไปเลยอ่ะต้องหุงเสร็จต้องรีดทานอ่ะรีดทานถ้าเก็บเอาไว้เดี๋ยวกลายเป็นข้าวเสียไปเลยบอกทําไมอ่ะบอกนั่นแหละเป็นข้าวแช่น้ําลำข้าวที่มันสุกแช่น้ําก็มันก็มีมีให้เห็น อย่างปีก่อนนะ่ปีเกาะปีก่อนโน้นอะไปน้ำท่วมปีหลังเนี่ยไปแล้งจนแทบไม่มีข้าวจะกินกันละมันทุกอย่างไม่เป็นอุปการะแก่นี้เลยแต่เชื่อไหมบริเวณแถบนั้นทั้งหมดไม่ชอบฟังธรรมเลยอันนี้คือไม่ชอบฟังธรรมไม่สนใจฟังธรรมตำหนิการฟังธรรมโหวันนี้อกุศลกรรมบทระบาดมากเนี่ยนะ อกุศลกรรมบทเฟื่องฟูมากที่เล่าเมายากาเมเนี่ยโอ้ยถือเป็นเรื่องปกติอกุศลกรรมบทนี่ยระบาดมากแบบโอ้เนี่ยฝ น, นแรงเนี่ยทำไงดีก็เอาชวนกันมารักษาศีลสิเ น, นี่ยว่ะทนายบอกจัดกินเลี้ยงสิไงนะี่ยโอ้ยระดมทุนออกมาเถอะเดี๋ยวช่วยๆกันบริจาคเดีวก็ได้โตะเลี้ยงนะอ่นนะเมาแอกันอย่างเงี้ยชอบมาก